มองนาฬิกาเรือนนั่นน่ะหลวงพ่อจะไม่ได้ฉันจะหานมาใกล้เทียงนลยหรือเ่มาเบิ้ลนาฬิกาย่ในกระเป๋าหลวงพ่อนี่หาก็ได้เจ็ดโมงยี่สิบเอ็ดนาทีย่บเอ็ดี่สิบสองนาทีเื่อนนันก็เลื่อ น, นี่จักพอดีสิถึกหรือเปล่าอันนั้นเกือบสิบเอ็ดโมงละนี่แหละมันมีสองเลื่อนมันเทียงกันนี่ละสุเจ้ย ก็มันมีเลื่อนเดี๋ยวมันผูเทียงกันเลยคือกันกับพี่อพรม่นมีผู้เทียงกันออกไปทูตเจ้ามีคู่หัวผัวเมียแล้วก็เทียงกันอยู่เลยลงไปมันมีสองเลยมีแต่ลูกมีแต่ลูกองค์พรมีแต่เถียงกับลูกศิษย์เท่านั้เอาอยู่ในความสงบลูกหลานมีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟัง วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2559วันนี้พวกเราออกมาฉันจังหันออกมาฉันข้างนอกตามปกติวัดของเรามีท่าว่าวันปกติเราจะฉันข้างในมีศาลาหลังข้างในดังเดิมแต่เมื่อ มีงานหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์วันพระเราออกมาฉันข้างนอกเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนมามากหน้าหลายตาถ้า น, นั่งอยู่ที่ศาลาข้างในมันแออัดแน่นเกินไปและอีกอย่างหนึ่งก็ในเมื่อมาสร้างศาลาข้างนอกแล้วถ้านเราไม่มาใช้มันจะเลยก็ทำมาให้มันให้ศาลาหลังนี้เสาร์หมองไปได้ง่าย เพราะนั้นจึงออกมาฉันเป็นคลังคราวเพื่อจะได้ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูในการดูแลนี่แหละถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องได้ดูแลรั ก, รกษาอย่างนี้แหละแต่วันนี้เมื่อฉันจะหันข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกเราที่เป็นญาติของนาคก็เอาให้เข้าไปข้างในเพราะว่าศาลาเรื่องว่าหลักวิสูงขามซิมาอยู่ข้างในวัด เราหลักเขตวิสุงขามซิมาหลักพระราชทานวิสุงขามซิมาหน่อยอยู่ในวัดเพราะนั้นสังฆกรรมพวกเราต้องเข้าไปทําทางนู้นทางในวัดอันนี้เป็นสลาอนเนกประสงค์สําหรับพวกเราที่มีการงานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้มารวมมาร่วมกันทําบุญตรงนี้เพราะมันกว้าง แต่หากว่าพวกเรามาเห็นอย่างวันนี้ก็ก็ไม่น่าจะมีศาลาใหญ่แต่ตามไม่จริงถ้ามีงานเข้ามาถึงศาลาหลังนี้มันเล็กไปเล็กไปถ้าว่าพวกเราได้มาเห็นมันคนมันมากพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้มาทำศาลาหลังนี้ไว้เพื่อรองรับศรัทธาญาติโยมลูกหลานแต่ตรงนี้ก็สมัยเก่าแก่ดึกดําบรรพ์ก็เป็นวัดนะลูกหลานนะมี เป็นก้อนอิด ก, ก้อนหินขึ้นมามีพระพุทธ ร, รูปก็แปลกเหมือนกันนะสมัยไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคงจะสมัยบ้านเมืองหลวงพะบางหลวงเพียงจันทร์เจริญรุ่งเรืองสมัยนั้นก็ไม่รู้ล่ะไม่อยากจะไปหายอยากจะรู้ เ, เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนะเขาสั่งสร้างบุญเขาก็สร้างมาแล้วล่ะเขาทำบาปเขาก็ทำมาแล้วอีกเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนะี่ยเดี๋ยวนี้นะเรา จะทำหน้าที่อะไรในวันนี้นวันนี้พวกเราควรจะมาบวชลูกหลานของพวกเราญาติโกโหติกาพวกเราจะฝากฝังลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาตระกูลของเรานามสกุลของเราเลือดเนื้อเชื้อไขของเราเราจะฝากไว้ให้บวชในพระพุทธศาสนาวันนี้แหละจะมีการบวชพระห้าองค์ แต่บวชก่อนหน้านี้ก็มีบวชมาบ้างแล้วละ่ะแต่ปีนี้ดูดูแล้วก็ขาราชการไม่มากเลปีนี้นะไม่เหมือนปีคนก่อนแต่ก่อนขาราชการบวชแต่ปีนี้คงจะเกี่ยวกับบ้านเมืองใครๆก็กอดเก้าอี้ของตัวเองเอาไว้<ม>เพราะทำไมก่อนมันก็ใครจะบวชก็ลาบวชแต่ปีนี้รู้สึกว่าในวัดของเราขาราชการเย มีน้อยมากนะไม่มากที่บวชในพรรษานะอันนี้ก็แต่พี่น้องประชาชนก็บวชก็มีอยู่แต่พระในวัดของเราก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสี่สิบรูปจำพรรษาปีนี้นะกล้องจุโขงจะไม่เกินไม่เกินมากนะีละ ว, วันนี้เราก็จะได้บวชพระไว้ในพระศาสนาหองค์ มาจากจากโตรธิศมาจากคนละแห่งละหนกันแต่ถึงยังไงเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ขอให้พระลกูกพระหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยนั่นแหละถ้าว่าพวกเราบวชเข้ามาแล้วสักแต่ว่าบวชไม่ได้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้เห็นในสื่อต่างๆบางทีก็สลดทังเวทใจเหมือนกันนะแต่จะทำยังไงได้นาน า, นาจิตต่างนานาทัศน์นาน า, นาความคิดเห็นแต่ว่าใครทำโทกหลวงปู่จามท่านบอกว่าใครทำโทกทำถูกต้องเป็นธรรมนรกแสวรรค์ก็ยังมีอยู่ยังพร่องอยังพร่องอยู่พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้ พอทำคุณงามความดีไม่เต็มถ้าว่าใครทําบาปทำไม่ดีนรกก็ยังไม่พร่อ ง, งนายกยังยังพ่องอยู่พร้อมที่จะไปได้ตกนรกได้นรกไม่เต็มสวรรค์ไม่เต็มจปแล้วเพราะนั้นใครจะทําความชั่วใครจะทำความดีกระสุดแท้แต่พอเราเลือกได้ คุณแม่ชีแก้วท่านว่าโลกในโลกหาได้ลวกโลกในโลกเลือกได้เราจะเป็นพระดีหรือจะเราจะเป็นพระเลวเราอยากจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวเราเลือกได้ทั้งนั่นแหละเพราะนั้นโลกในโลกเลือกได้โลกหาได้พวกเราจะเลือกอะไรถ้ า, าว่าพวกเราได้พบครูบาอาจารย์พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพบบัณฑิตนักปราชญ์เราควรจะเลือกครบ กัลยาณมิตรเลือกคบบุญกุศลอันไหนบุญกุศลอันไหนคือดีถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้จักว่าดีชั่วนั่นคืออะไรถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็อย่างว่าอีกเหมือนกันนะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชัว่วไม่รู้จะเดินไปทางไหนเพราะนั้นพวกเราเข้ามาในวันนี้ก็เนี่ยเข้ามาศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพุทธถึงยังไงก็ได้ยินได้ฟังอย่างน้อยก็จะกิดใจว่าดีกับชั่วนั่นคืออะไร ในหลักของพุทธศาสนาดีคืออะไรชั่วนั่นคืออะไรดีก็คือศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเพวัะ น, นั้นในพรรษาเนี่ยพรรษาที่จะถึงนี้นะพวกเราอาจจะได้มาวัดหลวงพ่อและอาจจะไม่ได้มาอีกในพรรษานีนะ้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอย้ำเตือนขอเตือนพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุธทธเจ้าในพรรษานี้เนะี่ย พวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรสามเดือนหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเรามีศัก จ, จักือความจริงจังและจริงใจศักจักรอธิษฐานนะข้าพเจ้าจะงดในการกินเหล้าตื่มสุราในพรรษาข้าพเจ้าจะงดสูบบุหรี่ในพรรษาข้าพเจ้าจะมีศีลห้าในพรรษาข้าพเจ้าจะมีศีลห้าทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ หรือวันพระเดือนหนึ่งข้าพเจ้าจะรักษาศีลสักสีวันหรือตามที่เราเตั้งจิตอธิษฐานไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยหลวงพ่อบอกควรจะมีศีลห้าตลอดตลอดไตดรมาสสามเดือ น, นนะนะพอเราปล่อยปะละเลยมานานบัด น, นี้เราควรจะประกอบคุณงามความดีเป็นโค้งสุดท้ายของเราแล้ว ถ้าว่าโค้งจุดท้ายไม่ใช่ว่าเอาความตายมาคู่กันไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงจริงไหมไม่ใช่เอ า, เ อ, อ เ, อาเอาความที่หายนะมาพูดให้กันฟังมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหม อ, อ, อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเตือนหลวงพ่ออย่างนั้นจึงมาเตือนให้พวกให้คณะจตทายาจมลูกหลานได้ยินได้ฟังเพราะหลวงพ่อเตือนหลวงพ่อเองก่อนแล้วจึงนามาบอกกล่าว พราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าจังหวาให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าก็ใช่ตายหายใจไม่ออกก็ตายาไม่ใช่เท่าไม่ใช่แก่ไม่ใช่เด็กหนุ่มไม่ว่าระดับไหนตายได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงถามพระอรนุ์ว่าดูก่อนอานุ์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอรนุ์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ประมาณ ว, วันละวันละร้อยครั้งพระเจ้าข้าอานน o ์ตั้งอยู่ในความประมาทเธอควรระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้มาย้ำเตือนมากล่าวเตือนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้สํานึกไว้อยู่เสมอว่า อ, อชีวิตของเราเนี่ยยืมวันอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าเมื่อมีอายุถึงมาปุณนี่แล้ว เราทําการทํางาน ข, าาข้าราชการพ่อค้าประชาชนพอเป็นหลักขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะลามือในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีรู้ไหมผิดศีลธรรมผิดศีลห้าถึงจะไม่ผิดกฎหมายก็เถอะนะถึงจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลเราก็ควรจะละเว้นซะในจุดนั้นพราเราทํามานานแล้วพอเป็นโค้งสุดท้ายของเราแล้วเราควรจะมีศีลห้า ข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าในพรรษานี้ข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการขโมยเราก็ไม่ขโมยอยู่แล้วเพราะอันนี้นิดหน่อยอาจจะมีอยู่บางคนนะเพราะมันมือไวเอแต่ที่ยังไงก็ตามในพรรษานี้เราได้ยินฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน่ะเราก็ควรจะงดทินนาทานของดในการเมสุมิจฉาจาร์งดในการโกหก ต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขางดในการดื่มสุราคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆเพราะว่าการดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วคนเมาแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้เพราะมันเมามันขาดสติจะขโมยใครก็ได้เพราะมันขาดสติขาดการยับยั้งไม่รู้จักดีไม่รู้จักเลว สามลาลาประโลงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะมันขาดสติโกหกต้มตูนหลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดสติเนี่ยคนที่ขาดจิติทําความช่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเราฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าและศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาการกรองไตรตรง ด้วยเหตุและผลแล้วนะมันอยู่กับเราทั้งหมดนะขนันธา ญ, ญาตโยมลูกหลานวันนั้นวันเข้าพรรษาเนะี่ยในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2,559 นะหลวงพ่อจะเน้นย้ำให้พวกเราคันธตาญาตโยมผู้สูงวัยผู้สูงอายุทั้งหลายให้สำนึกไว้ในใจควรจะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานะ พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอ่านในตำรับตำราหรือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนและจากนั้นมากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธิอนุสิทธิของหลวงปู่มั่นพราะเราก็ไม่ได้เกิดในสมัยพระพุทธ เ, เจ้ายุค ข, ของพระโมคคาราสารีบุตรนะ กัจจปะอาณน์เราไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นแต่เราเยอะเกิดยุกในหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเท่านก็บอกว่าตายแล้วไม่สูนนะตายแล้วเกิดอีกพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูนน่ะไม่ต้องคิดไม่ต้องเดาไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องประมาณการให้นั่งสมาธิในเมื่อทั่งสมาที่จิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่ง จิตใจยิ้เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจรวมเป็นหนึ่งพวกท่านทั้งหลายจะรู้เองว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูนร่างกายในตายแน่ๆสูนแน่ๆเผาไฟทิ้งแน่ๆ แ, แต่นามธรรมาคือจิตใจนั่นน่ะจะออกจากร่างไปปฏิสนณฑ์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนั้นแหละที่ตัวไม่สูนตัวจะต้องไปเกิดอีกแน่นอนในเมื่อออกจากร่างนี้แล้วเรามีบุญมีกุศลไหมหรือเรามีบาปอกุศล ในเมื่อเราตายลงไปใจของเราก็ออกจากร่างกายเมื่อออกจากร่างบุญกุศลนะจะเป็นเพื่อนสองเป็นผู้พานาเราไปสู่ประโลกภายภาคหน้าถ้าเราทาบาปเราไม่ได้คิดเรื่องบุญกุศลเรามีจะทำบาปตลอดทั้งชีวิตนะบาปพรกุศลจะเป็นเพื่อนสองของเราบาปพระกุศลจะไปทางไหนบาปพรกุศลคือความชั่วในเมื่อเราเป็นมนุษย์เราทาความชั่วแล้วเขาเข้าคุกนะ ความชั่วมันพาเข้าคุกนะลูกหลานนะแต่ศรัทธาญาติโยมนะความดีเนี่ยจะพาไปสู่ความเจริญหน้าที่การงานมีเงินคําทรัพย์สมบัติอันนั้นแนหะคือความดีพาไปมีแต่ความสุขกายสุขใจแต่ความไม่ดีเนี่ยบาปอกุศลหรือความทุกข์เนี่ยสิ่งที่มันชั่วมันจะพาไปพ า, พาไปตกต่ำนะพาไปเข้าคุกเข้าตารางไปเรื่อยปีถ้อยมีคดีความ มีอะไรต่อมีอะไรมากมายเพราะความชั่วพาไปเพราะนั้นในพวกเราศึกษาดีกับชั่วนะันคืออะไรเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังดีนะั่นคือศีลห้านี่นะเป็นบรรทัดฐานและเป็นมาตรฐานสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ได้ศึกษานะเพราะนั้นเรื่องศีลห้าในพรรานี้นะเนี่ยพวกเราควรจะมีผู้สูงอายุนะจากนั้นก็ เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนาไปอยู่ณสถานที่ใดถ้ามีพระบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านพวกเราก็ควรไม่ควรจะปล่อยปะละเลยจนเกินไปเออในพรรษานี้ข้าเพาะจะเจ้าจะใส่บาตรทุกวันพระหรือทุกวันอาทิตย์ก็คงจะดีเป็นบุญเป็นกุศลพระเราทําทานแต่พวกเรา บางคนก็เรืโอ้พระทุกวันนีออ้อย่างที่เราได้ยินในสื่อต่างๆสิ่งที่มันชั่วนีวกัประโคมข่าวให้ดังค่ะแต่พระดีๆไม่พวกเราไม่พูดถึงโดยมากนิสัยของกิเลสมันชอบอย่างงั้นแหละ้ชอบดูความชั่วของคนอื่นแต่ความชั่วในใจของตนเองไม่ดูไม่ดูความชั่วใ น, ในตัวเองคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วปิดไม่พูดถึงไม่ระลึกถึงอีกต่างหาก แต่ความดีความชั่วของคนอื่นมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นแต่ความดีของคนอื่นเขาจะมองไม่เห็นนี่ยนะกิเลสของมนุษย์ชาติมันเป็นอย่างนั้นมาแตง่แต ง, แตงดึกดําบรรทัดเดียวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทัานหลายในเมื่อถึงอย่างไร เ, เราก็ทําบุญในพระพุทธศาสนาพระที่ดีก็ยังมีอยูอ่ในพระพุทธศาสนาแต่คนสมัยในพัะไตรปิฎกท่านก็พูด ไอ่านได้ศึกษาดูสิว่าต่อต่อไปภายภาคหน้าพุทธศาสนาถึง 5,000 ปีเลยไปแล้วนะพุทธศาสนาจะรวยแหลมที่ผู้เสนับถือพุทธศาสนาน้อยมากต่อไปทุกวันในผ้าจีวรผืนใหญ่ใช่หมห่มคลุมได้ทั้งตัวแต่ต่อไปภายภาคหน้านะผ้าเหลืองผ้าเหลืองน้อยน้อยห้อยหนะูเพียงแต่ผ้า หูทนเองเขาก็ยังว่าเป็นพระในพระพุทธศาสนาการทําบุญกับพระที่ผ้าเน้น้อยห้อยหูก็ยังได้บุญได้กุศลเพราะเหตุไรเพราะเราเห็นผ้ากาสาวพัดเราก็น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้เอออันนี้ผ้ากาสาวพัดเป็นผ้าของพระพุทธเจ้าเป็นธงชัยของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ชนะกิเลสมาแล้วในอดีตการ พระประเจกพุนธเจ้าท่านก็ครองผ้าอย่างนี้ละ่ะผ้ากาสาวพัดเล่าให้ระลึกถึงผ้ากาสาวพัดระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่เราจะทําบุญตักบาตรก็เป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจเหมือนกันนั่นแหละแต่หาว่าพวกเรามองข้ามไม่เคยทําบุญ เ, เลยสอนจะให้ขี้ตนันีทีเหนียวถ้าเป็นพระดีเป็นพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระทหารตสาวก เดินผ่านมาแล้วก็เมินเฉยอีกเนะีเป็นการพลาดโอกาสอย่างแรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเทำบุญไว้ไว้แล้วนะแปว่าพูดอีกแบบทั้งโลวกว่าสิงปืนไว เ, เราเห็นแล้วก็ทำไปนิดๆหน่นนนอยอแจกจ่ายไปเรื่อย เ, อเห็นไก่ที่มันหิวมันโช์เห็นสัตว์สาลาสิงที่มันพร้อมเราก็ให้มันกิน เ, เราก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนที่ตรงไหน เ, เมื่อเห็นไปเห็นตูบ้บริจาคบริจาคคนตาบอดคนพิการเราก็ให้ลูกหลานเออไปไปใส่ตู้ให้เขาโดยนันเนี่ยไปตู้ไปทําบุญนะ เ, เขาดอยโอกาสเราก็ให้ลูกหลานไปจอดตูอ้อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานของเราต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าประชาชน เขาก็จะมองเห็นว่สมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่า ต, ตายายของเราพอไปเห็นตู้บริจาคเขาก็ให้บัตรยนธิระบัตรธิระสตังเพื่อชุมชนเพื่อสังคมเพื่อขนดอยโอกาสในแต่เมื่อเขาใหญ่ขึ้นมาเมื่อเขามีโอกาสเขาจะมีอุปนิสัยการเสื่อเพื่อแพร่ต่อเพื่อนมนุษย์ชาติ แล้วต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่อวงสาคณาญาติของตนเองอีกต่างหากนะพเพราะอะไเพราะว่ามีนิสัยเผื่อเผื่อแผ่เสียสละถ้าว่าพวกเราสอนให้ลูกให้หลานก่อนเราขี้แตนีถีเหนียวนะต่อไปนะขี้เหนียวแต่เขาใช้นี่ใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้ส่วนตัวของเขาแต่จะแบ่งปันให้พ่อให้แม่โอ้เสียดายจริงปันแบ่งปันให้พี่ให้น้อง ให้วงสาคณาญาตเสียสละโอ้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนี่แหละอันนี้ก็คือมันเป็นอุปนิสัยของลูกของหลานของเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายอยากจะให้ลูกหลานของตนเป็นคนดีก็ต้องทำดีให้ลูกหลานของพวกเราดูฮะ เ, เมื่อเราทำลูกความดีให้ลูกหลานของเราดูลูกหลานของเราจะเป็นคนดีต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะ แต่พูดทางนี้ทางนั้นในพรรษานี้แหละพวกเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเพราะไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนะี่ยเราควรจะวางแผนนะวางแปลนวางแผนการาประพฤติปฏิบัติตนจะทําอย่างไรนะ เ, เขาจะทําความชั่วเขายังมีแผนแผนหนึ่งแผนสองนะ เ, เราจะทําคุณงามความดีเราจะไม่มีแผนจะเลยไม่น่าจะไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะ เพราะนั้นในพรรษาเนี่ยเอาเถอะข้าไเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเราจะกราบพระเราจะไหว้พระทุกวันทําวัดเช้ า, ท ำ, ชาทำเวดวัดเย็นทุกวันทําวัดเช้า เ, เราทําไม่ได้มาก阿拉หังสวาคาโตสุปฏิปโนหรือวันโมตัสสะพระคาวาโต เ, เพียงแค่นี้ก็พอนะเพราะเราทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะ อย่างน้อยก็กราบพุทธโธธัมโมสังโฆนิพพานังออตอนเช้ามากับพุทธโธธัมโมสังโฆนิพพานัง เ, เรงวันโมตัสสะพระเขวโตวก็ได้ เ, เพียงแค่นี้ก็เพียงพอเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยวันละครั้งสองครั้งก็ยังดีกว่าที่เราไม่ระลึกเลยบางคนน่ไม่ระลึกเลยก็มีนะ นี่แหละที่หลวงพ่อย้าเตือนให้พวกเราสํานึกไว้ในใจจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาคำนี้เป็นภาษาใจที่หลวงพ่อเป็นเนนน้อยของหลวงปู่ล่าเพราะหลวงพ่ออยู่ในภูผาป่าไม้อยู่ในภูจอะก้อนมีทั้งเสือก็มีนะสมัยนะั้นมีงูมีเสือมีสัตว์มีผีไม่ต้องว่ากันละ่ะภูมิลุกขะเทอดาไม่ต้องพูดถึง พอเรามองไม่เห็นแต่เสือก็ยังมีพวกสัตว์ยังมีแต่ลูกปู่ท่านว่าเรามาอยู่ในที่ในที่ไม่ปลอดภัยพร้อมที่จะมีภัยขึ้นมาได้เราต้องมีมเมตตานะแผ่เมตตานะพระกรรมฐานครูบาจารย์ไปอยู่ในสถานที่ใดไปอยู่ในถ้าในภูผาป่าไม้ไปอยู่ในที่กลวัวๆต้องแผ่เมตตานะข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข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 เราต้องการความสุขอย่างไรขอให้ข้าพท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเนะนี่แหละอันนี้ก็คือแผ่เมตตาเป็นภาษาใจอย่าได้ขาดนะอันนี้คือหลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสมัยหลวงพ่อเป็นเนนน้อยไงละ่ะหลวงพ่อก็นํามาประพฤติปฏิบัติจากนั้นครูบาอาจารย์ทุกองค์ ท่านก็ว่าเมื่อไปอยู่ในภูผาป่าไมา้อยู่ในถ้ำที่เหียวที่ใดก็ให้มีเมตตาในจิตใจคนที่มีมเมตตาหลับและตื่นเป็นสุขฝันก็ไม่ฝันร้ายเพราะอะไรเพราะเรามีเมตตาในจิตใจแล้วก็เวรไยที่จะตามมาราวีไม่ใหม่จะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้จองเวรจองอกรรมกับไข่แต่ว่าอดีตชาตินัน เราเคยทํากับเขามาเขากับได้ทํำกับเรามาอันนั้นเราหลีกลี่หนีไม่พ้นแต่ถึงยังไงก็เถอะเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้นําสั่งสอนบอกกล่าวท่านบอกว่าเวนจะระ ง, งับไม่ได้ถ้าหากว่าพวกเรายัางจองเวนกันอยู่เวนจะระ ง, งับได้ถ้าหากว่าพวกเราไม่จองเวนเพราะนั้นพวกเราได้พบอย่างนี้แล้วเราควร ไม่ควรจะยึดมั่น เ, เวรไหนก็ตามในอดีตชาติจน ป, จปัจจุบันชาติข้าพเจ้าจะไม่จองเวรกับผู้ใดใครทั้งหมดให้อภัยกับดวงวิญญาณกับดวงใจกับท่านผู้ใดที่เคยทํากันมาในอดีตชาติอย่าได้มีเวรต่อกันเลยนี่แหละถ้าว่าพวกเราในจิตใจของพวกเราคิดได้อย่างนี้นะ เ, เราจะมีความสุขอ ในจิตในใจของพวกเราถ้าว่าพวกเรามีแต่โกโมโหโกธาให้กับคนอื่นเขาผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนกับเขาอยู่จะไม่ละไม่วางเลยนะเวนจะเมเวณจะไม่ระงับนะคณะศัตยาญาติโยมใช่ชาตินี้เราเอาชนะเขาได้แต่ชาติหน้าเขาต้องเอาชนะเรานั่นนะพลิกควม่มพลิกหงายอยอย่างนั้นนะคร า, าวนี้เขาเราชนะคขาหน้าเขาชนะคราวนี้เขเขาหน้าเขาชนะ ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมที่แรกกับตัวต่อตัวต่อมากับมีวงศาข้าราชกาต่อตมากับเป็นประเทศชาติบ้านเมืองมันผูกอาคาดจองเวรกับมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นการจองเวรกันไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นควรเมื่อเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราก็ประกาศในจิตใจเลยข้าพเจ้าจะไม่จองเวรจองกรรมกับใครๆทั้งหมดให้อภยัย ที่มันผ่านมาแล้วก็ให้อภัยนะการที่ให้อภัยอภัยยธานตัวนี้แหละนะพวกเราอยู่นสถานที่ใดพวกเราจะเดินไปสู่มรรคสู่ผลได้ง่ายดังนั้นะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในพรรษานีควรจะวางแผนวางแปลนชีวิตของเราประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปพวกเราอายุถึงปูนนี้แล้ว น, นึกย้อนหลังเสิแล้วก็นึกไปข้างหน้าเลยสิ เราจะอยู่ไปกี่เดือนกี่ปีสุขภาพของเราเป็นยังไงเรามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่อย่างเน้นบุญกุศลที่เราจะเมื่อล้มหายตายลงขณะ น, นี้เพียงพอหรื อ, อยังการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าควักเงินออกมาจากกระเป๋าทาบุญนะหลวงพ่อไม่ได้แนะนำอย่างนั้นทีเดียวอันนั้นก็ใช่ส่วนหนึ่งเราทำตามอัตภาพนี่แหละควรจะไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนา รักษาศีล น, นี่แหละอันนี้เราไม่ได้ทำํำมาแล้วเราธรรมส่วนตัวแต่หลวงพ่อเคยพูดท่านพูดในพระไตรปิฎกทำคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้บริสุทธิ์รักษาศีลเราก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นมีแต่ตัวของเราเองใช่ไหมให้ทานก็อย่า ง, ยงมีทรัพย์สมบัติเป็นการทําบุญทําทาน ให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้อันนี้สงมากถึงขนาดนั้นละ่ะอันนี้สงแห่งการภาวนาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าหลวงพ่อแนะนําให้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าจะให้เงินควักเงินออกมาจากกระเป๋ามาทําบุญไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวมีหลายมีหลายช่องทางในการสร้างบุญสร้างกุศล ให้อภัยทานก็เป็นบุญกุศลวิทยาทานให้ความรู้กับคนอื่นก็เป็นบุญกุศลธรรมทานให้ธรรมะให้กับผู้อื่นก็เป็นบุญกุศลอมิตรทานการสงเคราะห์คนอื่นก็เป็นบุญกุศลเนี่ยมันมีบุญกุศลหลายๆอย่างนะเะว่าานะทานะทานทะานนะี่นะนะแต่รักษาศีลนเนี่ยนะคือสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยอย่างที่หลวงพอ่อได้อธิบายให้ฟังเรื่องศีลห้าเนี่ยนะนี่แหละเป็น ถ้าว่าผู้ใดมีศีลห้าละปิดอวัยะผูมท่านว่ากันนะไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตว์ทิฏาิมีแต่ไปสู่สุคติมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะสัตยาติโยแต่วันนี้พวกเราก็ได้มาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาบวชพระลูกพระหลานของพวกเราเพราะฉนั้นเมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปเข้าไปข้างในนะเราจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกวา่า บวชพระห้าองค์ผมเป็นบวชสองชุดนะ ช, ด 1, ชดุดหนึ่งชุดละสามองค์ชุดละสามองค์แต่องค์หนึ่งก็เป็นสององค์รวมก็แล้วเป็นสองชุดที่เราจะบวชในวันนี้นะไม่น่าจะถึงเที่ยงหลวงพ่อวัาประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสิบอ็ดโมงก็น่าจะเสร็จได้เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรเนะ รับพรเป็นเรื้องแรกก่อนในเมื่อบวชลูกหลานเสร็จแล้วรับพรเป็นรอบที่สองช่วงนั้นนะ